เป็บนเน่ทั้งทีในมือมีบาทเน่บาทยังบาทอาอาและหลายต้องทำพิธีสิบบาทเน่แต่บาทยังไม่ยกไม่แก้เลยบาไม่เดียวก็พล้ว มันเป็นลักษาแต่อ้อยตะกอนเห็นอยงกันได้อ้อยไปเอามากับสวบเข่าถือเป็ดเขาร่วมใจนีป่หล่ะเส็จเสเออยังประกาศด้วยนะรับตอนนี้ Thank <laughs> Oh. ดานิ n านิปนัปนสัอาคัากะากติอาักตโกะ ตั้ง Yeah. สรางโวฬิมังตัฏินาดูสร้างอายะสมาโตอัติธรรมาจาริยะกาฏินังกาธริตุงเอสานยัติสุนวะตุเมพันเตสรงโวีดังสร้างพระจิกานาดู้างอุปนังสร้างโวฬิมังตัฏินาดูสร้างกายะสมาโตอติธรรมาจารติกาฏินังกาธริตุ ญาติญาตสมโตภาตีอิมาตตาธีนาุตตอาญาตสมตโตอิานังการวีนังคิุงโตุหัสตาญาติอนาคมตีโตภาสัยญาดินังอีนางสังเขนังการวนังุสังอาตสมัโตอติภาตตาการวนังการิตุงามตังคทา ตาสมาตุนีเอวันเมตังทารายา เดวัชชะสัพพมาตังปะปุณโตภิกุจสมเนรจจังกะอาศัจจะตาตุขังเปริกุญจันโตเอีความแม่ละเยี่ยมใจเยอะฮะพมสิลังานี่มันไฟตกควย ทำบุญเมื่อเ้าทำทามาทำบุญกระถิ่นสามัคคีเท้าปรสามัคคีกันตึงปากตึงอสามัคคีกันทำบุญของท่านประสามัคคีแล้วด้วยกายก็ได้การด้วยว่าจาได้ก้าบัดก็ด้วยจิตใจไปประสามปสามัคคีทั้งสามประการกายว่าจาใจบุญสามัคคีคือจังไรคือเงียบ มื่อสายวางบนตักเมื่อเส้หัวหลังสายว่างบนตักเมื่อหัวาักเมื่อสายตาเบาเบาเอาสติไปเบิงล้มไปเบิงใจเือลมเห็นลมเห็นใจเห็นปูนเห็นสวรรค์ทางใจเบืลู่จเห็นบอกนเป็นพิธีกรรม่งัปีนึ่งเลยเอ็ดสิเดียวเป็นยังดีก็ไ่ได้เห็นก็บอกเกทุกเมื่อสุ่เมื่อเอ็ดก็ได ก็จะนั้นแบบพี่ผ้าเย็นก็ได้เพาะเร่งร่มต่อรม่อ อสมอควรเฟล่าแล้วเวลาจังปันบอกพ่อเป็นแนวท่าบอกก็อหอยหู้ไหวหู้ไว้ไวใช่ว่าตาแวกหามอางค่อยกระเจ้าพระสงฆ์ค่อยคุณบาอาจารย์ค่อยห้องถ้ำบุญค่อยก็ได้เพราะท้ำบุญบริสุทธิ์อันละซาวนานมากนานมากก็เือจังน่านเพื่อจังสาวเวลา่า นี่ยุว่าขาดเวลเนี่ยจุดว่าเขียวเข็นใจพวกเขาก็คือทําบุญถาเพินเบิกร่มเขาร่มอบร่มเขาร่มหอกนั่นถามกที่นั่งตบโพสุโผล่พระเจ้ากระสงมิจกักโลคนมิจักค้นทาบุญเพื่ออุทิศใหญ้ญาติพี่นอ้องโดยเฉพาะงานกฐินส่วนมากมีแต่ทําบุญในควาอแมมภูญาตาญาย ลูกเต้าหลานเหลนสามีครยากผู้ล่วงลับดับขันไปสิ่งนี้คนใหม่วนปีหนึ่งข้งเดียวพ่อแม่หลวงปู่คนไหนเอาทัพมาทิพก์ปไตเอาทัพเป็นไงว่าแห่เอาโลกกัโลกตาทิพย์ปไตยมันจะว่าเอาโลกเปในญ่ไม่มองเราศพพบนั่นสมัยก่อนข่าพประยุนต่อมากัหมอลำสิงต่อมากัหมอลำเพืิน ต่อมาแต่ไม่ร่ำวงไม่ยังเล่นในวัดได้ว่าข่ากันเตกันนั่นโลกตาตี ป, ตปัสตอาโรคนัญญีผวงอ ม, น, ม, น, มนพอจะเป็นมุกกิเอาใส่เราเี่ละไห้เด้อปุ่นป่านี่เราหมออูเด้อปุ่นญาติไปนองทั้งกรุงเทพกรุงลัสีมาทอดกถิ่ใหญ่เด้อปุ่นมาเลยป้ากันเน็เด้อ แม่มาจากถึงเทพตีกองปีของรณทุ่นกันมาเนึงเพอเปิดบันแฮงเานหอดวัดดำเพราะ้อมสนุกสนานหลายแมาหอดวัดก็ค่อนแอค่อนแอในพระในเพิ่งอีพระเล็กน้อยจุดบวชตัวเข้าก็ะสันยากซื้อเป็นตัวใหพระพุทธเจ้าห้ามว่ายเพื่อควนร่ำตั้งว่คมเดี๋ยวนี้ทา้งรัฐบาลไทยก็อม ่ันลกรต้อมเดสีตีเ่าหลองลำ่ำตําเพ่งมหัศพห ก, กงันในวัดในว่าก็บพ่เฮ็ดนุ่งน่อยห่มหน่อยในวัดกับ่เฮ็ดกดหมายมากแล้วนะก็อยากให้เฮ็ดตามกฎหมายแน่เมื่อก็ตรได้บุญอีกคือก็มเอาท่ำมาติดพระใจเอาท่ำของพแม่นี่มาทําให้ทําให้ทํ า, ทาบุญเป็ น, นท่าน มีอนิสงส์จริงกาให้ก็ต้้งขนมให้ผ่าป้อนเทอร์ไบนเให้ให้เหลี่ยนนบุญให้เพ่เป็นไดนใบาปได้เลพระรักษาผ่าไตผ่าเจ็บไปเรียกว่าอติเลกิลอนอติเลกีวัลังจาวรธาจีวัลังโยจาธาจีวรลุปปโดเป็นประเดียงเล้านี้พระพิทูสงมีผ้าเ้อะแยะได้ต้องวิกลับเสก่อนถ้าไม่วิกลับก็มีอนิสงส์ก็สิ่ดังเดียวเสนอจังได แค่บดดดนี่แค่เดือนสีเพ่ง น, นี้มีอันใสงสารี่เดือนเพราะฉันพาแล้หลายจิ่ต้องไปทับไปได้เอาไปเก็ไบไว้รถตวมาได้ะ<อ>นตะียวเจิดนจะต้องบอกว่าเจ้าจะผลมาหลายเลยขอเอาจุกุปใจออกมามีสมเด็จกะเล็เล็ ก, ล ก, ล ก, ล ก, ลกน้อยจะหามาก่อนไว้ต่ อ, อ, อ, อ, อถือควบแพร่แวกทุะอันอยู่ถือไปปรน่าผู้อันสิสบายดวยก็จะมากรองไว้สวดน่าับน บางแห่งดอกไม้ถูกเชี่ยนกับบักไสพรวามนี่บางแห่งโดยมีพวกมาไล่ก็ใส่ความก็ละอันก็ละอันละ้าพวกมาไล่ดอกไม้ถูกเชี่ยนจังว่าต่อไหนพกนนะขานุยมแบบเป็นครั้งคือว่าถูกกองพระเวรเจ้าทรงอนุญาตในภาผืนใดผืนหนึ่งเด้นขั้นรับแล้วจงการภาพผืนใดผืนหนึ่งขั้นดัดแล้วจงการนไปตัดไปเยี่ยไปย่อมไปกล้าไปการเด่นับตั้งแต่หาเมึ้นไปก็ได้ใช่ได้แล้ว พ่อติดพ่อผ่าข บ, บงก็ได้จีวรก็ได้สัมฆติก็ได้ธรรมะทำผืนใดผืนหนึ่งพวกผ่าเหลี่ยงว่ายังผ่าสำเร็จรูปแล้วกใส่ก็ได้เลยแล้วนะยังจัดระเบริวานระเบริขานจัดเป็นน้ำทั้งจิตวิจัยจิเน้นนักใบพรณนาก็ต้องเอาม่ายฝาดสมุนไพยาดหรอนั่นแนละจะเป็นสิริมงคลสิสัตว์สิแกงสิจัดสิจกงแตงวัดแตงว่าบ่มลุงวัดว่าศาสนา พุทธิพุตั้งผูกข้ามกสิเดซอมผู้ใหญ่พระจะขายผ้าสะกพอนคือขนมาหลายแบบปฏิว่าพระที่โลกจริงแล้วแบบพระผูถือสินถือทรัพพระจะหาขายสินขายของในวัดในว่าคนว่าแบบข้ามเขียนไว้ห้ามขายสินขายของภายในวัดบัตพระประจกษ์ในคนมาบู้ซาคือเกากัวนั่นก็พราะโยมขนของมาให้พุทธไว้ที่แล้ว เพราะอย่างไรเพราะเขาประทับบุตรว่ามีสมาธิว่ามีปัญญาเป็นเขาเก็งมากเขาภาธรรมาเขาภาธรรมาเขาเม็นพระพุทธเจ้าเพราะตัวเขเอาต้นหลักขุดมาแปลให้พระมัทธิยัเจริญนะก็ยังว่าพระพุทธเจ้าว่าเห็นเสื้อเขาว่ให้เสื้อข้าวว่ให้เสื้อหนังสือตำล่าว่ให้เสื้อครูบาอาจารย์นะในเสื้อเงียผลให้เสื้อพระพุทธเจ้าโยกขึ้นมาก กบุตรเจ้านุศลจงได้ก็เอาเกล็ดน้ำประบุตรเจ้าตัวนึ่งไปทาได้พอสังขอนของะบุตรเจ้าเพื่อเสียหายไปถึงต <security> ัวนะแักว่าพระโมโหแล้วขอไปวนหนังสือกันจักว่าถูกต้องหรือถูกใจเรมเขียนลมเขียนล่เดี๋ยวนี้ไปสวดนตไหว้พระพระกันแน่น้ำต้นตัวเดิมผู้พวกเขาใจว่าดีบนแน่น้ไปยืมนั่งยืมนี่เสียศาสตร์ศาตนะตั้งโตโมบูชาดอกไม้ถูกเทียนแก้กัน แล้วก็มีกระทงองค์ฟัองค์้ององค์นั่นผมนี้วาไปหมือนตัวบบเห็ุไปเหมือนตัวพระแดงเอาเหุ้เพราะเขาจะต้องกันความตะกอนเขาจิกันความควาเกาไปวัดทำบุญเรื่องสีมีสมาธิเรองสี่เกิดปัญญาด้ไปทำบุญมั่วมั่วมั่ว่วทำบุญบุญไหว้ทาบาปเจ้าก็งอแงงอยู่หมเจ้าหนึ่งก็ไดก็เพาะคนว่าควาง กวามกัางวลแต่ว่ามาบ้านไหนเนะาะ บ, าง บ, บางบ้านก็ได้อบร้มบางบ้านก็ได้อบล้มทุกเรื่องแต่าไปว้านเอาใจจะกบ่าจากาจ่าเนี่ยได้แล้วก็ได้คำนึงถึงว่าของในจะน้ำออกของนอกจะน้ำเขา่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจัตตารุคนว่าเช่นไหนนะทำที่เราจะฐานพน์ในตะตะจัตตารุยากที่สามัญชนคนจิตมีเกลื่อนจะทําได้คนมีเกลื่อนทำมาได้เด้ เห็นว่าไงไงวกทํา hmm, บ yeah, ุญว้าวมมีเวลาว้ใจว่าสงบนั่งก็ได้ว่าวมมีบ okay, ุญนั่นเห็นบ่าจเลี้เสียงเอาเถียงเอาไปใจว่ได้เห็นจําทําว่าก็ว่าเชิญไปทาบุญกระถิ่นว่นนด้เอื่นมัวมาไปทาบุญกระถินนด้่วันนี้น่ะเห็นว่าไปทาว่าบัติบุญน่ะบางคนยังสรแล้วว่ามาทำบุญไปแล้วก็มีแล้วจะข้านคอยพั พระบอกวาอย่างเราพระไม่ได้เอาให้เลยนะที่ให้ยั้นและพระให้ทำเป็นทานให้ทาบุญบอกทำบุญเป็นทานมีอานิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงใ้ซึ่งของในน้นเอื้นมันหูพังมันมัดมันหายเป็นนมันดีป่ะดี๋ยวของก็หายจากห้อห่อก็หนีจากเขาไปเพราะสังขารร่างกายเพรา่เที่ยงเกินเราแก้เก็บตายใจได้ เราทำบุญใจก็ได้ไปน้ำดีบุญผ้าไปนี้ขันบุญเพาะผ้าใยบาปผ้าไปเพรันผ้าไปแต่ว่าผ้าใยน่ารก น, น, า น, น, น, านั่นบุญผ้าไปใสไปมนุษย์โลกเทวโลภข่มโลกเขาสู้สวรรค์เขาสู้ปิภัานาาั่นบุญนีผ้าไปก้นเป็นบาปผ้าไยนี่ขันเ่ามีบุญก็อบายจะพุงทั้งสี่เป็นที่กำได้อาบายจะพุ่งก บ, บาดบาปคือผ้าไปทั้งอบายจะพุ่งจางก็ เปิดอสุรกายสัเลี้ยง้าคนถูกคนยากคนพิขนพิการคนบาดใบบาดหัวนะเป็นคนอยู่แต่มันก็สมบูรณ์ลังทีกับผมจำว่าตาบอดหูอัวขนกระจายออกไปกันว่าอุต่าตบอดหูหัวสมบูรณ์แบบมีคนสามารถที่เห็นไดอย่างนั้นเพิินมีคนสามารถที่ยืนนั่งเพิินเป็นกรรมก็ถนัดาปก็ถนัดไม่ได้อยากแว่เอา ว่าจะเป็นนิดน้อยก็หาหมอฝาหมอนี่รักษาได้พวกเราก็ทาชาติมาจังสันแล้วกรรมมาจังสันแล้วครรมุงนางวัตดีโโกก็แยกก อ, อ, กองมึงดูเาไปก็แยกกองกับบอกแยกกองแล้วก็ไปวันพิธะไปบุนไหว้เว้ยนะพไปทาบุญตั้งคนต้องมากกามมาไหว้ดีๆก็ไปนั่งมงดูนั่งบึงมก็ออกยัางหน่อยสี่สุดที่ได้ตัวสิบนาทีเจสิบนาทีก็ถึงแล้วงาน ปีหนึ่งวิ่ีเดียวเห็นว่าได้แต่ล้มภูบอกว่้นจักเสียแล้วมายั่มได้กิทำบุตรตัมือด้มือละหน่นาทีบังลมเขาล้มบอกได้ซื้อว่า่นบ่มีร่มใจแต่นี้แล้วก็จึงพพักกันเบิ่งท่นเบิ่งองี้ยงผมฝนเล็บันหนัง่บูดเนี่ยนเอาเอามาของบูดของเราเอามาท่าของบูตของเราสวดเ็นอยงนสวดว่ใช่ใจว่เห็นน่ะหลังฐานร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาด อย่ยงนชัดพอมันท้องแล้วก็มิดไปเลยว่าเอามาใส่หัวใจฝากฝังไว้นะหัวใจจื่อได้แน่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดกอดของก็สะอาดด้วยกอดตัวเดียวเรากอดยังอีกเราจะว่าไปเลื Alcohol ่อโลกกิจะกอดของบูกของเนน่าตายเก็บตายหายตายวอยตายวอดตายจอด ตายจงตายง้มกระดูตายผูกตายมัดพันก่อนจตายมนก็ตายแล้วตายอย่างแน่วันตายลูกตายพันผูกพันนกองกระดูกกอดฟองกระดูของบุของน่าเพียงจะวางกันวางให้เฉลี่เบื่อหนายเฉลีเป็นมักของปุตของน้าเลี่เป็นมักของฟองเห็นว่น่ากระดับกระได้ยังเอามาหนังหนังงูตัวเราไม่ขัดตัวเง น่ะประดับประดาสวยงามหลวงปู่นั่นเกินดอกเบญบงงายมันสวยงามเต็กคนทะเลาะกันคว่างล้อมกันจ้างข่าลูกข่าผัวจ้างข่าเมียมูลเพาะเหมึงกันห่วงกันแยกจากกันขอเคลื่นดีก็ได้จ้างขากันนมั่นมาจากตัวเกลเดตัวหนึ่งจากตัวเกล็ดอ่ะน่พวกจากเกล็กับพวกเล็คือตัวบาอีกตัวหนึ่งเกล็คือนรกนั่น ยิ่งใส่นรกสวรรค์ในอกนรกในใจกันเห็นสวรรค์ตั้งแต่หูนรกเปท่นพระหุจักสวรรค์ก็บพวู้ว่านรกเป็นังแตแล้วน่นสวรรค์ดูเมืองฟ้าสนุกเมื้องฟ้ามิต่แดดกับฝนสมุกสนุบเบื้องค้นมิตรกินกับเลนเอาแฝงกไปมึงโลกคำสิทธิ5สิของพุนเจ้ามิต่กินใจถึงใจถึงใจโอ้ยโว้ยเป็นใจูจดีโลกไหม ทั้โลกมีเป็นตะยูมีะสมไปเห็นอย่งเป็นยูเห็นอยางกันคือว่าใบบอคือทั้งโลกกันเป็นเสียสาระควมบุญไหนะอันทั้งโลกเสียสาระควบสนุกสนานปฏิวาตีอันเนาวันพรัสมปฏิวัติโอ้บุญหโลกนี่บงแห่งผสมหวังจกอันจะแน่วากม่วอยากมั่ก็บ่รลุอยากงามก็บงามบ่อยากเจ็บบ่อยากเจ็บมก็เจ็บบ่อยากควยมึก็ควยบ่อยากตายมก็ตาย หาแนวท า, น, า, วา น, น้ำพระบรมเจ้าแนวก็มาเกิดมาแก่มาเก็บมระตายมีเดิเป็นไปได้ดินี่เขาก็เห็นก็เห็นแต่ก็พูดูมว่ามาขนในพ้าดนยั่งอยู่ดิบันพระพุทธเจ้าเอาไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็าเอาไปในเน้อหาให้ชัดโลหาให้คนเป็นเพราะีหามือม่อหนึ่งมื่อเดียวจบหาตั้งแต่หกปีจึงได้ตัดสลูกเป็นพระพุทธเจ้าหามาสอนค น, นเดยนี่เขาเป็นค้นบอก ยากใ้ถามเจ้าของไมันถึงใจเลยเนี่ยเป็นน้นถึงพรเสดับพระพุทธเจ้าไปเสืออ ย, ย่างเกล็ดแต่พอเขาพูมีสติพมีปัญญาเขามาค้นแต่ซื่อซื้ อ, อค้นไปคนมาค้นไปคนมาค้นเอาดินเอาศีลเอาทัพค้นมีศีลมีทัพเอาบาปไปใส่ค้นบาปเอาหมอนละหลอกไปใส่หัวใจคนหมอนละหลอกค้นตกหมอนละหลอกไม่บอกจักบาปไม่บอจกจัดบุญนะ่นี้นะเนี่ยปัญญาที่เดิม นี่คือตัวเจ้าของตัวโมตัวควงอีกบุญกะถิ่นเด้อแปลบุญกะถินเด้อไปทำบุญกะถิ่นเด้อมาทำสมบัติมือจะพูดใด้ไปกวนอะไรอย่างนี้แง ไ, ง ไ, ดได้กระต้มขนม่งกรไปได้นั่นติบุญกระต้มขนมติมาขนในผ้าอยู่น้ากระต้มขนมติรครับขนในผ้าอยู่น้าล้มล้มบนไอเสือถึงเพเบิง้ง เกื้อหน้าคุณกุศลองค์โยมโยมบลานจะตีปีนอทั้งไก่ทั้ไก่เลยเสียสละกมาตลอดตั้งเจ้าผสมก็เสียสละมาร่วมการทําบุญกติณสามทีการทําประกวดเป็นประจาปีมาทุกปีทุกปีคุณสิบบุญกุศลสี่พวกเข้าเข้ากันอย่างเดียทบเานี้คุณกุสลก็คุดก็คุที่เจ้าคุณพระต้องคุณพระสงฆ์และสิ่งสักกิสทั้งหลายใสากลนรกนี้ก็ต้องมาร่วมการจงปกป้องปกปักรักษา อตนจะโยมลลกหลานจาติพี่นองตลอดตั้งพระเจ้าพระผส์มาจากตั้งใจสมจงได้เดินทางไปพควมสะดวกสบายตลอดปลอดภัยอกตนจะโยมจะติพี่นองปัฒนาทึงหนึ่งอันใดกันงานก็เริ่มทึงเด่นึ้นใดจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในลำทำทำคําสัสอนของพระพุทธเจ้าจงพากันตั้งหัตั้งใจปฏิบัติตามทาคําสอนของพระพุทธเจ้าและจะมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมาเป็นผลเห็นสวัสดิ์เห็นปฏิภาน ในปัจจุบันยาดนี่ก็ที่อาจา